วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของพวกเราที่จำพรรษามาสามเดือนวันนี้เป็นวันออกพรรษาจึงถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับพวกเราผู้ที่ตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนเข้าพรรษาว่าจะทำอะไรจะรักษาอุโบสถศิล ตลอดไตรมาสสามเดือนหรือพวกเราจะใส่บาต ท, ทุกวันหรือจะไหว้พระทุกวันหรืองดบุหรีงดเหล้าอย่างเนี้ยเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันออกพรรษาแล้วจึงถือว่าเป็นวันเส้นสุดในการตั้งสัจจะบางคนนะแต่บางคนก็ไม่เป็นอย่างนั้นทําไปเรื่อยๆแต่บางท่านบางคนก็ ในสามเดือนตั้งสัจจะทำไม่อย่างนั้นก็นเดียวมันทะเลทลายก็เลยตั้งสัจจะสามเดือนเอาไว้บัดนี้ก็ได้สามเดือนแล้วนะขอให้พวกเราทุกท่านนะเมื่อครบสามเดือนแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พระประธา น, นบอกว่าข้าพเจ้าได้ทำคุณงามความดี สมเดือนแล้วบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําดีแล้วนี้ขอให้เกื้อกูลหนุนกิจการงานหน้าที่เดือบข้าพเจ้ามีความทุกข์อย่างไรเแต่ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขตามที่ข้าพเจ้าพึงปรารถนาขอพรนะทีนี้นะเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ต้องขอพรขอพรจากพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะประทานพรให้แก่เราถ้าเราทำดีความดีนั่นก็ประทานพรให้แก่เราถ้าเราไม่ทำความดีความดีนั่นจะให้พรแก่เราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราได้ทำคุณงามความดีตลอดไตรมาสสามเดือนแล้วให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญกุศลที่เข้าไปเจ้าได้ทำคุณงามความดีไว้ดีแล้วนี้จงบรรลุมารดารให้เข้าไปเจ้ามีความสุขความ เย็นใจมีความสุขมีความร่ำรวยโชคดีอย่าให้มีอุปสรรคใดๆทั้งหมดนะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นนะถ้าว่าบุญกุศลที่เราเข้เขมแข็งเรื่องหนักหนาทั้งหลายก็จะคลายเป็นเบาไปได้เพราะว่าบุญกุศลที่เราได้ทำไว้ดีแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะนำให้ศีลอีกนะศีลวันนี้เป็นศีลสาคัญนะ วันนี้เป็นวันสําคัญศีนก็ต้องสําคัญด้วยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้รักษาศีนตลอดรอดฟังตลอดวันตลอดคืนในคืนนี้มางั้นแหะเพราะว่าเป็นวันออกพรรษาพวกเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีแต่บางคนบางท่านงดเหล้าเข้าพรรษาพอวันออกพรรษาวันนี้เบิกถอยหลังอันนั้นใช้ไม่ได้นะเออเหมือนกับหนีออกจากความชั่วแล้ว หนีออกจากขี้โคลนขี้ต้มแล้วก็น่าจะพยายามหนีออกไปเรื่อยๆไม่จริงจะถูกจึิงจะจัดว่าเป็นนักปราดอันนี้บางคนพอออกไปแล้วออกจากขี้ตมขี้โคลนแล้วพอออกไปแล้วกลับมาให้มันหนักกว่าเก่าอีกเบิกถอยหลังอีกหลวงพ่อว่าถ้าไม่ให้ว่าใจของเราเป็นใย ไ, ไปในทางต่าจะว่ายังไง เพราะนั้นให้ใจของเราให้ใยไปในทางสูงไว้อยู่เสมอนะถ้ามันหนีออกได้ก็พยายามหนีให้ห่างพยายามหนีให้ห่างเอาไว้นะและก็วันนี้เป็นวันออกพรรษาเมื่อเช้านี่หลวงพ่อไปบิณฑบาตศรัทธาญาติโยมใส่บาทมากอยู่นะตักบาทเทโวกันนะตักบาทเทโวก็คือพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่ชั้นดาวดึงไปโปรดมารดา ไปโปรดโยบมบรดาของท่านเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแลว้วก็ตามนะถึงแม่ของท่านจะตายไปแลว้วก็ตามสวรรค์คตไปแลว้วก็ตามปเป็นไปอยู่ชั้นดุสิตนะพระพุทธเจ้ายังขึ้นไปโปรดโยมมรรดาอยู่ที่ชั้นดาวดึงชั้นของพระอินท์โยบมบรรดาท่านก็ลงมาฟังธำ ร, รมเทศสนากับพระพุทธเจ้าอยู่ที่ ชั้นดาวดึงแต่วันนี้พอครบสามเดือนพระพุทธองค์ก็เสด็จตรงมาจากดาวดึงมาบินลงมาเมือมนุษย์โลกเพราะฉะนั้นพวกศรัทธาญาติโยมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าถึงสามเดือนขาดการได้ยินได้ฟังธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหลั่งไหลกันมาสิว่าตักบาตรเทโวเป็นประเพณีมาตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนั้นนะว่าวัน ออกพรรษาในประเด็นนี้ในวันตักบาเทโวนี่ก็มีสองที่หลวงพ่อดูแล้วก็คืออันหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระคุณของมารดาของท่านพระมารดาของพระองค์ที่พระพุทธองค์ได้เป็นพระพุทธะขึ้นมาได้ก็เพราะพระมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดในเมื่อพระมารดาสวรรคตพระพุทธองค์ประสูติได้เจวันพระพุทธเจ้าประสูติได้เจวัน พระมันดาก็สวรรคตคือตายเหมือนกนจากนั้นวิญญาณรละดวงวิญญาณพระมันดาของพระพุทธเจ้าก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนี่แหละตายแล้วไม่สูญจากนั้นพระองค์ก็เมื่อได้ตัดสู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเทศปโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายพระพุทธองค์ก็ยังไม่ลืม ไ ม, ไม่ลืมพระมารดาของพระ อ, องค์ท่านจึงได้ขึ้นไปจำพรรษาสามเดือนอยู่ในชั้นดาวดึงสวรรค์ก็โปรดพระมารดาจากนั้นก็ได้เสด็จลงมาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวกระส่วพระบิดาพระบิดาเมื่อพระพุทธองค์ได้จัรู้ธรรมแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารกรุงราชาคือ ทางพระเจ้าจุโทธนพระบิดาก็ส่งทหารเข้ามานิมนต์พระพุทธเจ้าเอากองพันหนึ่งเป็นกองพันนะมาทนายพ ร, ระพุทธมาได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าบวชหมดเหมือนันส่งมาอีกบวชอีกส่งมาอีกองเป็นรู้หลายกองหลายกองร้อยเหมือนกันหลายกองพันเหมือนกันนะส่งมาพอมาฟังได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าพระโตองเทศให้ฟัง เกิดศัทธาเลื่อมสายบวชลืมคิดถึงพระเจ้าจุดโทธนะแล้วก็ไม่กล้าพูดอีกทีนี้สำเร็จแล้วก็บจบไปเลยเหมือนกัอจนอามาตคันสุดท้ายเนี่ยจึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าสเสด็จมาโปรดกรุงกบินละพัดพระองค์มาโปรดพระบิดาก็ได้สำเร็จพระโสดาบันเป็นครั้งแรกนะอันนี้หลวงพ่อพูดอย่างรวบลัดให้ฟังอันนี้แหละสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเน้นเดีว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ทิ้งพ่อทิ้งแม่ถึงท่านจะได้จัดรู้ธรรมแล้วก็ได้ดิบได้ดีขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ะระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาของพระ อ, องค์เองวันนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพุทธมาม ก, กะอุบาสกอุบาสิกาถึงจะได้ดิบได้ดียังไงตกทุกข์ได้ยากยังไงก็อย่าลืมบุญคุณของบิดามารดาอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ที่มาในวันนี้ทางป่าพ่อแม่หลวงรับดับขันไปแล้วให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้มีอุปการะคุณสําหรับเราถ้าหังว่าท่านยังมีชีวิตโย่พวกเราก็ควรจะให้การสนับสนุนข้าวน้ําโภชนาอาหารจิตุปปัจจัยเงินคำทรัพย์สมบัติตามอัตภาพอย่าให้ขาดตกบกพร่องอันนี้ก็คือหน้าที่ของโลูกเพราะพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวจากนั้นพระองค์ก็ได้เทศ โปรดโยมพระบิดาจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นโยมนะพอป่วยหนักเข้าไปไปเทศถึงที่นอนไปอบรมถึงที่นอนไปสั่งสอนถึงที่นอนพอพระบิดาได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ว่าจบละจบล่ะก็ว่าจบใกล้ๆเขว่าส่งพระบิดาขึ้นถึงฝั่งแล้วพระพุทธเจ้าส่งขึ้นถึงฝังแล้ว่หายห่วงแล้วนี่แหละ อันนี้ก็คือฝั่งพระนิพพานไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการแต่ส่วนโยมมารดาของพระ อ, องค์ไม่ได้พูดถึงว่าได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านะแต่ส่วนโยมบิดาเนี่ยได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ส่วนโยมมารดาเนี่ยท่านโปรดดูสวรรค์ชั้นดาววันหนึงอันนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งวันออกพรรษาแล้วก็พร้อมกัน หลวงพ่อเองก็อยากจะกล่าวเตือนญาติโยมวันออกพรรษาของพระนี่พระท่านทำอะไรวันปวารณาออกพรรษาเนี่ยท่านทำอะไรวันนี้ประบานบ่ายสามสี่วงตั้งแต่วันนี้แหละแต่สำหรับกิจกรรมในวัดของหลวงพ่อเนี่ยตอนบ่ายห้าโมงเย็นพระจะมาไปชุมกันไหายพระยอ่อฝ่ายพระย่อลทพิสรานกสุทธแท้แต่ผู้นำ เมื่อเสร็จแล้วก็สวดประวัรณ์สวดยติประวัรณาประกาศว่าเออวันนี้เป็นวันปรณนาของพวกเรานะพวกเราพร้อมหรือยังพร้อมทุกอย่างแล้วนะประกาศอย่างงั้นอะ่ะจากนั้นหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าพระจำพรรษา ท, ทั้งหมดนี่มีอยู่สามสิบสี่รูปปีนี่แต่ว่าพระที่เขามาบวชอีกได้พรรษาอีกสามรูปรวมแล้วเป็นสามสิบเจ็ดแต่ว่าองค์หนึ่งได้ออกไปแล้ว เดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่สามสิบหกานสะิหกโรคหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อนั่งกระยงระองปนมมือในถ้ำกลางสงมาว่าสร้างคำอวุโสปวารเรมิดิเทนวาจุเตนวาปริสังกายวาวดันตุมังอายัสมันโตอนุ ก, กรรมปังอุปาดายปะปัจจันโตปฏิกริสามิอันนี้คือเป็นภาพบาลีนะความแปลและความหมายกขอบอกว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทำของผมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็าดี หรือลังเกียดติในความคิดความเห็นของผมถือว่าหรือว่าเห็นว่าผมเป็นมิจฉาทิธิมีความเห็นผิดก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนผมได้ผมยินดีรับฟังถ้าว่าถูกต้องตามหลักแล้วผมจะปฏิบัติจะแก้ไขปรับปรุงผมเองอันนี้หลวงพ่อพูดถึง3าครั้งในท่ามกลางสงคือประวารณาในสงจากนั้นองค์ต่อไปองค์ต่อไปก็สร้างคาพันเตปวารเรมิเหมือนกัน ข้าพเจ้าพวกท่านทั้งหลายเห็นเข้าพการกระทําของข้าพเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอให้ท่านว่ากาวตเตือนข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามที่พวกท่านทั้งหลายเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมวินัยอันนี้คือประวรณากันตั้งแต่องค์หัวหน้าจนองค์สุดท้ายเหมือนกันเถอะอันนี้หลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดจริงๆนะคล้ายๆว่า ตัวเองอาจจะมองไม่เห็นความผิดของตนเองเหมือนกับผงทุลีมันเข้าตาตัวเองอย่างงั้นแหละเรามองไม่เห็นเอา้าทำไมไม่เอาออกเองมันเข้าตา ต, าตัวเองแท้ๆอยู่ใกล้ตาทาไมไ ม, ไม่เอาออกมันเอาออกไปได้มันใกล้เกินไปว่า ง, งั้นเถอะเอออันนี้ก็เหมือนกันความผิดบางสิ่งบางอย่างตัวเองทำจนเคยชินว่า ง, งั้นถเถอะมันอาจจะมองไม่เห็นแต่คนอื่นโอ้เห็นแล้วขวางหูขวางตาเหลือเกินเออ แต่ไม่รู้จะทำยังไงแต่เมื่อเราประกาศหรือว่าเราประวรณาเขาบอกเขาบอกหมู่บอกเพื่อนแล้วก็เออถ้าว่าหมู่พวกเพื่อนเห็นตรงไหนที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็บอกผมได้นะหมู่พวกเพื่อนก็จะได้บอกกล่าวเออตรงนั้นตรงนี้นะท่านไม่ดีดูดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่เมื่อหมู่เพื่อนตก ต, กตักเตือนแล้วเราก็ต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละ อันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ปวารณาวันปวารณาเนี่ยมีความหมายอย่างนี้นะหลวงพ่อว่าถ้าหากว่าศรัท ธ, ธาญาติโยมสาธุชนทั่วไปนําเอาไปใชใ้จะได้ไหมหลวงพ่อกคน่าจะเกิดประโยชน์เหมือนกันเพราะเหตุไรคือคร่อยๆว่าลดทิฏฐิมานะของตนเองลงนะในสานักงานของเราหรือว่าบริษัทห้างร้านของเราหรือครอบครัวของเราอย่างเนี้ยเป็นผู้ใหญ่ ก็หันหน้าก็หาการเออพนักงานทุกขั้นที่ทํางานร่วมกันตั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยถ้าเห็นผมกระทําไม่ดีสิ่งใดก็ขอให้บอกผมได้นะผมยินดีรับฟังเอาผู้ที่รองลงไปกับเหมือนกันครับท่านหัวหน้าครับแล้วก็บพี่น้องทุกคนทุกทุกท่านถ้าเห็นการกระทําของผมไม่ดีไม่เหมาะไม่สมยังไงก็ขอบอกกล่าวผมได้นะครับผมยินดีรับฟัง และก็จะปฏิบัติตามตามที่มีเหตุผลในที่จะปฏิบัติตามได้ทุกคนถ้ามีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนลงมาแล้วก็ให้คนอื่นว่ากล่าวตักเตือนได้หลวงพ่อว่าก็จะน่าจะเกิดประโยชน์แต่ว่าคนที่กล่าวตักเตือนนั้นก็ต้องมีคุณธรรมในจิตในใจเพราะว่าผู้ที่ยอมตนลงมาเนี่ยก็เป็นผู้มีคุณธรรมอยู่แล้ว ่ผู้ที่ว่ากล่าวตรเตือนก็มองกันในแง่เหตุผลด้วยคุณธรรมถ้าอยู่ด้วยกันด้วยคุณธรรมด้วยศีลธรรมด้วยจริยธรรมแล้วครอบครัวใดก็ตามบริษัททางล้านใดก็ตามกิจการงานใดก็ตามสำนักงานใดก็ตามหลวงพ่อว่าคงจะประสบความสุขความเย็นใจได้ไม่มากก็น้อยไม่อยากจะว่ามไม่มากก็น้อยนอะอยากจะคงจะเจริญขึ้นอย่างมากๆถ้าว่าพวกเรามี การอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหากันแต่นี้บางคนทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดบางทีกรบเกลื่อนไปอีกทะเลถลายไปอีกประเภทที่ว่าหน้าด้านอย่างที่ว่านั่นอะทาผิดแล้วไม่ยอมรับผิดดังนั้นใช้ไม่ได้เพราะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะถึงจะไม่ยอมรับเดี๋ยวนั้นก็ยอมรับในใจเอาไว้อืข้าพเจ้าถึงข้าพเจ้าทําผิดคราวนี้ถ้าข้าพเจ้ายอม รับในที่สาธารณะข้าพเจ้าก็ขายหน้าเกินไปแต่เอาเถอะเอข้าพเจ้าทําผิดจริงๆแล้วจุดนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทําอีกโดยเด็ดขาดอต้องคิดไว้ในใจอย่างนั้นอันนั้นก็ยังถือว่าเป็นนักปราชได้อยู่ถึงจะไม่ยอมรับต่อหน้า ต, ต่อตาแต่ว่ายอมรับโดยความรู้สึกสํานึกผิดออันนั้นก็จัดว่าเป็นบัณฑิตจัดว่าเป็นนักปราชได้อยู่ แต่บางคนทั้งที่ทำผิดแล้วก็ยังทะเลทลายยังเป็นด่าคนอื่นอีกยังข่มคนอื่นอีกว่าตัวเองทำไม่ผิดอีกต่างหากอันนั้นแปลว่าภาละชนนะเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะให้มองตนเองสรุปแล้วเป็นพ่อก็ดีก็ให้มองตนเองเป็นแม่ก็ให้มองตนเองเป็นลูกก็ให้มองตนเองเป็นครูบาอาจารย์ก็ให้มองตนเองเป็นลูกศิษย์ก็ให้มองตนเองทุกๆคนให้มองตนเอง จะไปมองคนอื่นถ้ามองคนอื่นมันเห็นแต่ความผิดคนอื่นเพราะนั้นถ้ามองตนเองแล้วพวกเราจะเห็นสิ่งที่ขาดขาดตกบกพร่องในตัวของเราเพราะนั้นพวกเราวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดวันเป็นวันปวารณาออกพรรษาปวารณาคล้ายๆกับว่าปวารณาตัวให้หมูเพื่อนว่ากล่าวตักเตือนได้ความหมายนะวันปวารณา ประวรณาออกพรรษาจากนั้นก็ไม่ใช่ว่าประวรณาเสร็จแล้วหมู่กาวตึกเตือนหน่อยนึงก็โมโหโทรสูอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ปราฏิอีกละแต่ยินดีรับฟังแต่สําหรับผู้น้อยตักเตือนผู้ใหญ่ทํำยังไงอันนี้ในพระวินัยท่านก็บอกว่าสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าวัดใช่ไหมหลวงพ่อประวรณาต่อสงฆ์ หมู่พวกเพื่อนเห็นหลวงพ่อกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจรังเกียจยังไงก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายบอกผมได้นะผมยินดีรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามหลักและเหตุผลแต่แจะเตือนอยังไงเตือนอาจารย์ในหลักก็วินัยท่านบอกว่าถ้าจะกล่าวเตือนอาจารย์เนี่ยต้องขอโอกาสก่อนอย่าไปบอกพูดตรงๆไม่ได้เป็นอาบัตทุกกฎเพราะขาดความเคารพ ต้องขอโอกาสก่อนขอโอกาสครับท่านอาจารย์เอ๊ะกับผมว่าท่านอาจารย์ทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะผิดเกี่ยวกับวิัยตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าท่านอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรกับผมท่านจะสํานึกได้โดยตนเองเพราะว่าท่านเคยผ่านมาแล้วท่านรู้มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเตือนเพียงแค่นี้ท่านก็จะรู้ถ้าทาไม่รู้เราก็ต้องพยายามเตือนให้หนักขึ้นไปอีกเพราะท่านไม่รู้นะเพราะฉะนั้นโดยมากท่านจะรู้เออใช่ เป็นความผิดเป็นความบกพร่องจริงๆกรจุกนี่เราจะได้สํารวมระวังต่อไปจะไม่ให้มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกอันนี้ก็คือเป็นสิทธิ์สิทธิ์กล่าวเตือนอาจารย์เตือนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนลูกเตือนพ่อเขาเหมือนกันเตือนพ่อเตือนแม่ก็เหมือนกันหรือว่าพ่อแม่หรือว่าผู้ใดก็ตามว่ากล่าวเตือนผู้ใหญ่ก็เหมือนกันก็ต้องขอโทษซะก่อนขอโทษครับคุณพ่อคุณแม่ แล้วคุณป้าคุณลุงคุณปู่คุณยา่าเอทําอย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีนะผมว่าไปกินเหล้านะดูๆแล้วมันอายเขานะคุณพ่อนะคุณแม่นะเอถ้าพ่อแม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าผมเห็นแล้วผมอายคนหน้านะถ้าว่าพ่อแม่หยุดได้ก็จะดีผมว่าะลักษณะอย่างนี้ใครๆขอโอกาสเอจะก่อนยังแนะนําพ่อแม่ หลวงพ่อว่าจะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับผู้ที่อยู่ร่วมกันนะไม่ใช่ว่าพ่อแม่เตือนลูกขึ้นมาอย่างไรลูกก็แข็งก้าวขึ้นมาเตือนพ่อแม่บอกพ่อแม่อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะอันนี้คือพระวิ น, นัยพวกเราศึกษ า, าไว้พระวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะสรุปแล้วคือเราจะเตือนผู้ใหญ่แล้วจะเตือนยังไงพระพุทธองค์ก็บอกไว้อีกนะ เออแต่ผู้ผู้ใหญ่เตือนผู้น้อยนีย่คือเตือนในแบบธรรมดาเออเตือนถือว่าเป็นลูกให้ถือว่าเป็นลูกเขาลูกศิษย์ลูกหาเออเป็นลูกของเราอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นด้วยเจตนาดีตั้งเจตนาไว้ในใจซะก่อนยึงค่อยสอนจึงค่อยบอกอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านบอกตัดไว้อย่างนั้นเพราะนั้นแนวทางของพระพุทธศาสนาที่พวกเราอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกัน จะร่มเย็นเป็นสุขได้เนี่ยนี่แหละต้องอาศัยการแนะนำสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันแนะนำในทางที่ถูกต้องในเมื่อทางเดินทางที่ถูกต้องแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขในตัวของเราเองจากนั้นก็ครอบครัวของเราชุมชนของเราประเทศชาติของเราก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยนะแต่ตัวเองทาผิดแล้วเกกะลาลานไปหมด เพ้อเพอเกิดเข้าคุกเข้าตารางเขาไล่จับหัวสุกหัวสุนอย่างนั้นมันไม่ดีลนะ่ะเอเดือดร้อนวุ่นวายตัวเองเดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนวงศาการอาญาตประเทศชาติเดือดร้อนทั้งหมดเลยท่าอพอตัวเองทําไม่ดีเพวัะนั้นอย่าให้เกิดมาในพื้นแผ่นดินของพระพุทธศาสนาพื้นแผ่นดินไทย อ, อย่าให้เป็นคนรกโรกพระพุทธเจ้าบอกคนรกโรกคือคนอะไรคือคนทําความชั่วนะ พระทําทความชั่วกับพระโรคโรกเหมือนกันถ้าคนทําความชั่วก็คือคนคนโรคโรกเหมือนกันเออมันลรคเหมือนขยะอย่างงั้นเถอะเออมันเหมือนขยะเนี่ยมันไปที่ไหนมันลกไปหมดว่างั้นเถอะเออถ้าว่าคนทําดีนั่นแะไปที่ไหนมีแต่คุณค่าเห็นกันก่อนมีแต่สังเกื้อกุลหนุนกันมีแต่ความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขแล้วก็พร้อมกันพวกเราทุกๆท่านนะเ อ, อถึงจะไงยังไงออกพรรษาแล้วพยายามมา จุฬาธไม่ตามหรอกไม่ไหวอย่างนั้นนะเออออกพรรษาแล้วโอ้ยพยายามมาจุฬาธิเอาละออกพรรษาปล่อยพะละเลยไปละอตามแต่ในพรรษาอะไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะเออออกพรรษาแล้วแก่เจ็บตายก็ยังมีอย่างเก่าพวกนั้นอย่าประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีติดต่อไปเรื่อยเออสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆถ้าว่ามีโอกาสมีเวลาเมื่ อ, อไรก็เอาสมาทานศีลวันพระเดี๋ยววันเกิดของเราอย่างนี้ ตักบาตร ท, ทาบุญไหว้พระอย่าได้ขาดเนะี่ยนั่งภาวนาแต่หลวงพ่ออยากจะแนะนําให้พวกเรานั่งภาวนานี่ยนะถ้าว่านั่งภาวนาเป็นเรื่องของจิตใจนะไม่ใช่เรื่องของพระนะนั่งภาวนามันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุ ก, ท, กทุกคนนะคือนั่งภาวนานะี่ยให้เขาว่าดูใจของตนเองดูใจตูดูความคิดของตัวเองถ้าเอาใจของเราไม่ทุกอะไรมันจะทุกวะเพราะนั้นเราต้องดูใจของเรา อย่าไปปล่อยใจของเร า, าใจของเราทุกคิดปรุงฟุ้งซ่านะมันมีความทุกข์นะเพราะฉะนั้นให้ดูใจของเราเนะี่ยให้ภาวนาบริกรรมพุทธโธพุทธโธก่อนหลับก่อนนอนห้านาทีสิบนาทีทุกวันทุกวันหลวงพ่อว่าความสงบร่มเย็นเป็นสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเรานะถ้าว่าพวกเราไม่ภาวนาเลยจ ะ, จะไม่รู้ตัวเองนะจะไม่เห็นตัวเองจะไม่รู้ตัวเองแต่ถ้าพวกเราภาวนาแล้วจะเห็นจะรู้ด้วย จะรู้ตัวเองรู้ใจตัวเองสุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดไม่เป็นอย่างอื่นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ า, าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าว่าคนตายแล้วใจออกจากร่างแนละ้วหมดสภาพเพราะงั้นถ้าว่าใจยังอยู่นี่แหละถึงยังไงอย่างใจยังสู้อยูอ่ก็ยังเป็นไปได้นะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดลากหลายหลายอย่างให้แก่พวกเราสาธุชนญาติโยมทุกๆ ท, ท, ท่าน ที่เด้มาพบมาวัดของหลวงพ่อนะ